ตื่นแต่เช้านี่ก็มีก็มีข้อดีหลายอย่างนะความสงบสงัดมันก็เอื้อให้เราได้น้อมซึมซับรับเอาความสงบมาไว้ที่ใจทำให้ใจเราก็พลอยสงบได้ง่ายใช้อากาสนี้ในการ จเจริสติทำกรรมฐานจิตใจเราก็จะเป็นสมาธิได้ง่ายเพราะว่าสิ่งที่จะดึงจิตให้ส่งออกนอกตัวสิ่งที่จะกระตุ้นเรานะให้ใจเรากับเพื่อนนี่มันน้อยกว่าตอนกลางวันบางทีพอถึงตอนเช้านะ ก็ต้องมีกิจต้องทำโน่นทำนี่เจนจะเป็นคารวาก็ททำครัวพระก็ต้องไปบินทรบาตแต่ว่าช่วงเช้ามืด น, นี่เราไม่ค่อยมีกิจอะไรมากกิจส่วนรวมก็คือการที่มานนั่งสวดมนต์ฟังธรรม การที่เราตื่นแต่เช้ามืดนี่ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะคือเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากที่มันมืดสนิทนะมันก็ค่อยแปลเปลี่ยนนะเป็นความสว่างรำไรเสร็จแล้วก็เป็นความสว่างโล่นะแจ่มแจ้ง น, นี่มันบอกอะไรหลายอย่างนะเกี่ยวคนเรามันบอกแม้กระทั่งว่านะความมืดเนี่ยตัองเปรียบได้กับความทุกข์ความมืดมนของชีวิตมันก็อยู่ได้ไม่นานความมืดมนอนต ก, การที่มันครอบงาชีวิตเรา ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะกับตัวเรามันไม่ได้ยั่งยืนอะไรเลยไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปนะความมืดในที่สุดก็ต้องหลีกทางให้กับความสว่างนะเราเคยได้คิดแบบนี้บ้างไหมนะบางทีเวลา มีความ ม, มุดมืนเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะมีความทุกข์เนี่ยเราก็จมอยู่กับมันแล้วเราคิดว่ามันก็จะอยู่กับเราไปตลอดนะถึงแม้ไม่ตลอดกาลก็อาจจะตลอดชีวิตแต่ไม่มีทุกข์ไหนนะที่มันจะอยู่ยั่งยืนเมื่อความมืดเนี่ยสุดท้ายก็กลายเป็นความสว่าง ความมุ่งมั่อุารในสุก็ต้องหลีดท้ายกับความแช่มชื่นความสดใสความเบิกบานลองคิดแบบนี้บ้างนะในทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะหลุดออกมาจากความทุกข์ที่จริงไม่ต้องรอให้ความทุกข์หรือเหตุร้ายมันผ่านไปนะเราก็สามารถที่จะมีจิตใจที่เป็นปกติได้ มันก็เหมือนขณะนี้ความมืดนะมันอยู่รอบตัวเราแต่เราก็ตื่นขึ้นมามันไม่ใช่แปล ว, ว่าเมื่อทุกอย่างรอบตัวเรามืดนะเราจะต้องสลบสไลหรือว่าหลับไหลาตามไปด้วยข้างนอกมืดนะแต่ว่าในสารา น, นี้หรือแม้กระทั่งในจิตใจเรานี่มันตื่น มันแปลว่ามันแปลว่าแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะมันจะมืดมนหมน ห, หมองนะแต่ไม่ได้แปลว่าใจเราจะหม่นหมองตามไปด้วยนะใจเราก็สามารถจะเป็นปกตินะหรือว่าเป็นสุขได้ด้วยซ้ำอย่างที่เราสวมั่สักครู่เนี่ยนะ เป็นธรรมะนะล้วนๆเลยนะที่บอกเราให้ไงกับเราหลายอย่างเช่นคนเราเกิดมาก็เป็นทุกข์แล้วก็มีความแก่ความเจ็บความป่วยนะก่อนที่จะตายก็ต้องประสบความพัดพรากไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือเหตุ ที่ไม่พึงประสงค์ที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเรากรการแรกคือว่าไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นมันก็อยู่กับเราไม่นานมันก็ต้องผ่านไปเมื่อความมืดที่ต้องหลีกท้ายกับความสว่างและในะที่มันยังอยู่ความมืดยังอยู่รายล้อมตัวเราใจเราก็ยังตื่นได้ ไม่ว่าจะมีประสบนะเหตุความพัดพราความสูญเสียความเจ็บความป่วยอันนี้คือเหตุการณ์หรือสถานการณ์แต่ว่าใจเราก็เป็นปกติได้ป่วยก็ป่วยแต่กายนะใจไม่ทุกนะทำได้เสียของนะแต่ว่าใจไม่เสีย ทำไดนะ้คนเราเนี่ยไม่ได้สุขหรือทุ่มคนเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะคนที่เจ็บป่วยนะแต่ว่าเขามีความสุขแลเขาสามารถจะยิ้มไดนะ้เพราะเขาสามารถจะรักษาใจ ให้เป็นปกติหรือว่าเขาวางใจถูกมีคนหนึ่งเป็นมะเร็งเป็นตั้งแต่ยุคยังสามสุดกว่าจะพูดให้เป็นข้อคิดไว้ไวดีบอกว่ามะเร็งเนี่ยไม่ได้ทำให้รอยยิ้มของคุณหายไปไอ้ความทุกข์ใจต่างหากที่มันทำ และความทุกข์ใจเนี่ยก็เกิดขึ้นได้จากการที่ใจไม่ยอมรับใจไม่ยอมรับโรคมะเร็งแต่พูดว่าเนี่ยความจริงบางครั้งก็โหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงเนี่ยโหดร้ายกว่าความจริงที่โหดร้ายก็อา จ, จไปายถึงความเจ็บป่วยความพัดพลาด ก็คือมีเหตุร้ายมีสถาการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราบางครั้งก็เกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่ความสุขความสมหวังนะความสำเร็จความเจริญนะความเฟื่องฟูอย่างเดียวอันนั้นก็เป็นความจริงส่วนของชีวิตแต่ความจริงส่วนคือนก็คือ ไม่สมหวังความล้มเหลวความพัดพลาความเจ็บความป่วยนี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะเป็นความจริงอันหนึ่งแต่ว่าความจริงที่ว่าเนี่ยแม้มันจะดูโหดร้ายนะแต่ว่า การไม่อยอกรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันทำให้ทุกทั้งวันทั้งคืนพอเธออยากรับความจริงได้ว่าเออฉันเป็นมะเร็งนะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องเรียนรู้ที่อยู่กับมันบอกว่าความทุกข์ใจ ที่ทำให้เวียงทำให้วีนทำให้อรารวาสใส่หมอใส่พยาบาลใส่พ่อแม่แล้วก็ลดลงทุนเหลาเบาบางจากคนที่เจ้าอารมณ์ก็กลายเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นสงบลงโลกก็ไม่ได้หายแถมลุกลามได้ซ้ำ แต่ว่าพอวางใจถูกนะทำใจเป็นนะความทุกข์ใจก็หายไปยิ้มได้นะแม้จะเป็นมะเร็งก็ยิ้มได้ แ, แม้ความตายรออยู่ข้างหน้านแล้วก็ยิ้มได้อนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเปรียงเมื่อคนที่อยู่ท่ามกลางความมืดรายล้อมแต่ว่ายังตื่นไม่หลับไหล ในอนะัมพุสสาสาน์นี่ท่านเปรียบว่าคนที่จมอยู่ในกองทุกข์เนี่ยนะเหมือนคนที่หลับนะก็คืออยู่ในความหลงนะอยู่ในความหลงจมอยู่ในอารมณ์คนเราไม่ได้แปลว่าเมื่อมืดแล้วมันต้องหลับไหลเสมอไปแม้จะมืดนะแต่ว่าเราตื่นนะรู้สึกตัวนะความมืดทำอะไรไม่ได้ แม้ว่าเหตุร้ายนะจะเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าใจไม่ทุกข์เราทำได้นะทำให้ใจไม่ทุกข์ถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะหรือว่าวางใจถูก คนเราทุกเนี่ยก็เพราะวางใจผิดเคยมีโยมคนหนึ่งนะร่ำรวยทาธุรกิจก็จับอะไรก็ประสบความสำเร็จเธอมาทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก็เรียกว่าร่ำรวยแต่แม้จะมีเงินมีทองมากมาย70กว่าแล้วก็ยังไม่หยุดก็ยังทุ่มเททำงานตัวลูกๆนี่ก็เป็นห่วงและสุดท้ายเธอก็เป็นโรคพาร์กินสันพาร์กินสันนี่เป็นโรคที่เกี่ยวกับ กล้ามเนื้อระบบประสาทพูดก็ไม่ค่อยชัดเดินก็ไม่สะดวกต้องนั่งรถนั่งรถเข็นมาที่วัดเธอก็มีความทุกข์ใจมากก็ประโยชน์หนึ่งเธอพูดว่าเนี่ยเธอทำผิดอะไรถึงต้องมาเจอแบบนี้อล้ารวักก็ตอบว่าทำผิดนยทำผิดแน่ แต่ว่าผิดที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเธอไปทำชั่วทำอะไรหรอกไม่ได้ไปทำกรรมอะไรหรอกผิดตรงที่ว่าตอนที่ร่างกายเนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณว่าฉันเหนื่อยแล้วนะฉันอยากพักผ่อนนะเธอไม่ฟังเธอก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำทั้งทีอ่อายุก็มากแล้ว ร่างกายไม่เหมือนก่อนร่างกายมันส่งสัญญาณหลายครั้งเธอก็ไม่ฟังบางครั้งก็สัญญาณก็ออกมาในรูปของความเจ็บความป่วยเล็กๆน้อยๆนะเธอก็ยังไม่หยุดนะเรียกว่ายังฝืนสังขารยังทรมานสังขารสุดท้ายร่างกายมันทนไม่ไหวมันก็เลยป่วยหนักเลยคนนี้นะ เป็นพากินสันเลยเ น, นี่ยผิดข้อที่หนึ่งนะก็คือว่าไม่ฟังไม่ฟังสัญญาณไม่ฟังเสียงร้องเสียงบ่นเสียงอุทธรณ์ของร่างกายหรือเสียงเตือนมันเตือนแล้วนะแต่ไม่ฟังผิดข้อที่สองคือว่าพอร่างกายป่วยนะเนื่องจากไปวางใจไม่ถูกก็เลยทุกข์ใจด้วย พอไปยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี่มันต้องไม่เจ็บไม่ป่วยร่างกายนี่มันต้องเป็นเหมือนเดิมตอนสาวเป็นอย่างไรมาถึงว 60, 70, ัยหกสิบเจ็ดสิบต้องเป็นอย่างนี้อันนี้เราว่าเป็นการยึดติดถือมั่นในสิ่งที่มันสวนทางความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงคือว่าอะไรก็ไม่เที่ยง ร่างกายมันก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บต้องป่วยความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่นี่เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้นี่คือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นกระแสน้ำมันไม่เคยอยู่นิ่งนะมันก็ไหลมันจะไหลไปทางไหนก็แล้วแต่แต่มันไม่เคยอยู่นิ่ง ร่างกายเราก็เหมือนกันนะมันก็ไม่เคยแน่นิ่งอยู่นิ่งจากสาวก็เป็นแก่จากสุขภาพดีก็เป็นเจ็บป่วยถ้ายอมรับความจริงนี้ได้นะนะใจไม่สวนไม่ยึดติดไม่คิดสวนทางความเป็นจริงเนี่ยแม้ร่างกายป่วยใจก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์ก็ยังเป็นปกติสุขได้นะแต่นี่ จะวางใจผิดไปยึดว่าร่างกายต้องเป็นเหมือนเดิมนะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยนะเคยมีสุขภาพดีอย่างไรเคยพูดได้เคยทำอะไรไดนะ้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้เรือกวางใจผิดแล่เพราะวางใจผิดนี่แหละนะมันจึงทุกข์เมื่อร่างกาย มันไม่เป็นไปดั่งใจนะร่างกายนี่มันเป็นไปตามความจริงมันเป็นไปตามสัจธรรมไม่ได้เป็นไปตามใจหวังของเราไม่ใช่เฉพาะร่างกายนะสิ่งของคนรักผู้คนทั้งหลายโรครอบตัวมันเป็นไปตามสัจธรรมคือแปลเปลี่ยนเลื่อนไหลเป็นนิดมีแล้วก็หมดนะ เจอแล้วก็จากพบแล้วก็พลาก น, นี่เป็นธรรมดาแต่พอเราไปยึดนะว่ามันต้องไม่หมดมันต้องไม่มีความพัดพราดมันต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆอันนี้เราวางใจผิดและนี่แหละคือเหตุที่ทำให้คุณยายคนนี้เนี่ยแกเป็นทุกข์ ฉันทำผิดอะไรเนี่ยจึงมันต้องมาเป็นอย่างนี้นะก็เพราะหนึ่งเนี่ยนะไม่ฟังเสียงเตือนของร่างกายเตือนแล้วเตือนแล่าเตือนมาหลายสิบปีแล้วแล้วที่จริงเนี่ยเนี่ยการเป็นอภาการเป็นพากาินสันนี่ก็เป็นการเตือนอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าไม่ฟังนะก็อาจจะถึงกับเป็น อ, า พ, อาพึกอำพาดเลยหลายคนเนี่ยเป็นถึงขนาดนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าสัญญาณมัน ว่าร่างกายมันเตือ น, นไม่ฟังไม่ฟังเสียงเพราะว่าอาจจะใจมันจดจ่ออยู่กับความสำเร็จเงินทองอยากได้ให้มากขึ้นเรื่อยๆหลายคนก็ผิดพลาดนะเพราะว่าไม่ฟังเสียงเตือนของร่างกายแถมก็ยังไปยึดติดถือมั่นนะกับสิ่งที่มันไม่มีวันเที่ยง ไม่มีวันที่จะถาวรนี่ถ้าวางใจถูกเนี่ยก็เห็นความจริงของชีวิตว่าอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงก็ปล่อยวางถึงเวลาร่างกายมันป่วยถึงเวลาสูญเสียคนรักของรักก็ทำใจได้ น, นั้นเราวางใจถูกและที่จริงเนี่ยนะคุณยายคนนี้เนี่ยแกรู้สึกว่าชีวิตแกโชคร้าย จริงแกไมไ่โชค้ายเลยถามแกว่าสามียังอยู่ัหมอยู่ลูกยังอยู่มัมยังอยู่แต่ละคนก็เลี้ยงตัวเองได้เป็นหมอสองคนเป็นนายุทศสมนตรีเป็นพ่อค้ายหนึ่งคนประสบความเสเร็จทั้งนั้น แต่ไปเที่ยวต่างประเทศอย่างที่เคยไปนัแตแกว่าโอ้ยที่อยากไปได้ไปหมดแล้วถามว่าตาแกยังดีไหมดีหูเป็นไงใช้ได้ไหมใช้ได้มีกินมีใช้ไหมโอ้ยเหลือเฟือ <c oughs> ก็ดูแล้วเนี่ยนะแต่ถ้ามีไดมันดาถ้าเช็คลิสต์นะสิบอย่างเนี่ย แกมีดีอยู่เก้าอย่างอย่างเดียวที่ไม่ดีก็คือเจ็บป่วยถ้าสอบไล่แกก็ได้เก้าสิบเปอร์เซนตถ้าได้9กสิบปอร์เซ็แล้วยังยังคิดว่าฉันโชคร้ายเนี่ยอันนี้แย่แล้วคนเราเวลาสอบได้ 70% 80% สิเอร์นปดสิบปอร์เซ็ตก็เก่งแล้วนี่ได้ตรง้งเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วจะบน่นจะโวยวายทำไม ควรพอใจกับชีวิตได้แล้วนะเพราะว่าชีวิตคนเรามไม่มีทางที่จะเพอร์เฟกกี่คนที่สอบแล้วได้ร0อยเปอร์เซ็นตเ็มนะหาได้ยากแล้วควรพอใจกับชีวิตนะอันนี้เป็นเพราะแกมองไม่เป็นด้วยนะมองเห็นแต่ลบนะไม่มองบวก สุดท้ายคือว่าที่ความทุกข์ที่ความทุกข์ใจของแกนี่ก็เป็นเพราะวางใจผิดแล้วมองไม่ถูกทั่นแหั้นถ้าเราวางใจให้ถูกนะมองให้เป็นนะจิตมันก็จะกลับมาเป็นปกติได้แม่เหตุร้ายยังคงอยู่แม่ความสูญเสีย จ, จะไม่กลับคืนแม่ร่างกายก็ยังเจ็บป่วยอยู่แต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้ว ใจเป็นปกติ น, นี่เรียกว่าตื่นแม้รอบตัวจะมืดไม่ได้หลับไหลไปตามอิทธิพลของความมืดที่อยู่รอบตัวเราทำได้นะคนเราทำได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราใจก็เป็นสุขได้ แม้แต่คนที่ความตายนะใกล้เข้ามานะความตายนี่มันเป็นเป็นที่สุด ข, ของความทุกข์ทั้งหลายพัดพากสูญเสียอะไรนะมันก็ไม่ร้ายเท่ากับความตายเพราะว่าความตายมันคือความสูญเสียทุกอย่างนะแต่ว่าใจก็ไม่ทุกข์อันนี้ก็ทําได้นะ ผู้เจ้าตัดว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบหาสุขพบพบที่ไหนนะอย่างที่พบได้ก็คือที่ใจเราหาสุขพบที่ใจเหตุการณ์หลายอย่างเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้น้ำท่วม มันก็ทั่วมาครับเอาเข้าของทรัพย์สินเสียหายไปหมดแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือใจใจที่เคยเศร้าโศกนะใจที่เคยคร่าครวนใจที่เคยซึมเศร้าเปลี่ยนให้กลายเป็นใจที่เป็นปกติอานะช่มชื่นเบิกบานได้ โรคบางโรครักษาไม่หายนะแต่ว่าใจดีขึ้นได้ขั้นตอดนี้จต้องเริ่มต้นจากการที่เราได้ตระหนักถึงความจริงของชีวิตนะแล้วก็ยอมรับว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราหนีไม่พ้นเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดเพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลดพิ่ความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งนั้นมาเตือนใจย้ําตัวเองอยู่เสมอว่านี่คือความจริงของชีวิตยิ่งความจริ ง, ง, จร ง, งชีวิก็ไม่มีเท่านี้นะมันก็มีอย่างอื่นด้วยความสุขก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ที่มันก็ไม่ได้โหดลายไปเสียหมดนะมันก็มีความสุขให้เราสัมผัสให้เราเก็บเกี่ยวแต่ถ้าว่าใจเราจมอยู่วความทุกข์เนี่ยเราจะไม่เห็นไม่เห็นความสุขที่มันมีอยู่รอบตัวเพียงแค่ตระหนักว่าไอ้ความสุขไอ้ความทุกข์ที่เรา ที่มันเกิดกับเราเนี่ยไม่นานก็ผ่านไปสัปดหนึ่งเราก็จะยิ้มได้สวัวดาหนึ่งก็จะหัวเราะได้ใจหนึ่งว่าเทียวไม่จริงหรอกนะจะต้องเศร้าไปตลอดชีวิตต่ต้องร้องไห้ไปจนตายแต่ก็ไม่มีใครนะที่เป็นอย่างนั้นนะเมื่อเวลาผ่านไปนะ ก็จะเริ่มยิ้มได้นะก็จะเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆก็คลี่คลายไปแต่ก็อย่างที่บอกถึงแม้ว่ามันไม่มันยังไม่คลี่คลายนะก็ยังมีความปกติสุขได้นะถ้าเราวางใจเป็นกลับมากลับมาเรียนรู้ดูใจของเรา จริงๆความเศร้าเนี่ยที่มันครอบงาใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ไปเลยไม่ใช่ว่ามันมันเที่ยงนะมันเปลี่ยนไปทุกวินาทีมันเลือนหายไปในเวลาไม่นานแต่เป็นเพราะเราเอาแต่คิดคิดคิดถึงเรื่องที่มันผ่านไปแล้วความเศร้าดับไปพอเราคิดถึงมัน มันก็เกิดขึ้นใหม่มันดับไปทุกขนาจิตนะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นมาแทนที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเราหวนคิดนึกคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เจ็บปวดซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องอดีตคิดทุกทีมันก็โผล่มาทุกทีนะความเศร้ามันเหมือนกับไฟนะไฟแต่ละเปลวแต่ละเปลวเนี่ยนะ มันเป็นเปลวใหม่เสมอเปลวใหม่เปลวเก่าดับไปเปลวใหม่เกิดขึ้นเป็นเพราะเราไปเติมเชื่อให้มันเราเติมเชื่อให้มันอยู่เรื่อยๆมันก็เลยลุกโพร่งตลอดเวลาทั้งวันและทั้งคืนไฟเนี่ยนะถ้าเราไม่เติมเชื่อให้มันนะ รับรองเลยมันก็ต้องดับไปไอความเศร้านี้ถ้าเราไม่เติมเชื่หยมันนะมันก็ดับไปมันไม่ใช่แค่ดับไปไปภายในชั่วโมงนะมันดับไปในช่วงขนาดจิตแต่พอเราคิดถึงความสูญเสียคิดถึงเหตุร้ายมันก็พุ่งขึ้นมาใหม่ มันเป็นอย่างเงี้ยซ้ําแล้วซ้ําเล่านะจนกลายเป็นชั่วโมงกลายเป็นวันกลายเป็นคืนกลายเป็นอาทิตย์กลายเป็นเดือนแต่พูดว่าเราไปปลุกให้มันพุ่งขึ้นมาก็ได้ใอ้ความทุกข์ความทุกข์ใจความเศร้าเนี่ยอย่าต่อชีวิตให้มันถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปต่อชีวิตให้มัน เวลาใจมันเผอคิดไปถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดในดีก็รู้ทันไม่ต้องไปกดข่มมันไม่ต้องไปห้ามคิดแค่รู้ทันมันเฉยๆอย่าไปพยายามลืมแล้วก็ตามที่เราพยายามลืมเนี่ยไม่มีไม่มีทางที่จะลืมได้ไอ้ที่เราลืมเนี่ยส่วนใหญ่เพราะเราไม่ตั้งใจลืมมันก็ลืมไปเอง แต่อะไรที่เราพยายามลืมที่เราตั้งใจจะลืมเนี่ยไม่เคยลืมได้สำเร็จเลยเราลองยกตัวอย่างใช้ว่าที่เราตั้งใจลืมแล้วเราลืมได้เนี่ยถ้าเรานึกขึ้นถ้าเรายกตัวอย่างได้แสดงว่าเรายังไม่ลืมจริงแล้วก็ตามที่เราพยายามลืมเนี่ยเราลืมไม่สำเร็จนะแต่ที่เราลืมได้เพราะเราไม่ตั้งใจในี่เวลานึกถึงความเศร้า อนึกถึงความเจ็บปวดเหตุร้ายในอดีเนี่ยอย่าพยายามลืมแค่รู้ทันมันเฉยเฉยรู้ทันมันไม่ว่าสิ่งนั้จะเป็นความโกรธความเศร้าเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลนัตุโลนะลูกเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นดูกแรกแรกมนถามว่าหลวงปูทง่ทําไมจะตัดความโกรธให้ขาดได้ท่านบอกไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันมันก็จะดับไปเอง อย่าไปกดข่มความโกลัอย่าไปกดข่มความเศร้อ า, คคารอย่าไปพยายามลืมมันแค่รู้ทันเวลามันเผอคิดไปก็รู้ทันอันนี้เรามีสติเวลามีความเศร้าเวลามีความความหม่นหมองเกิดขึ้นก็ให้มันรู้มันรู้ บ, บ่อยๆรู้ว่ามันเกิดขึ้นมันจะคลองติดคลองใจไม่ได้มันจะครอบงำจิตใจเราไม่ได้ บางทีเหตุรายังไม่แปลเปลี่ยนไปแต่ใจเราก็ยังเป็นปกตินี่สินก็ยังมีอยู่มากมายนะแต่ว่าก็จิตใจนะก็ยังแจ่มใสถ้า ล, ลองหมั่นนะมาทำความรู้สึกตัวหมั่นมารู้ทันใจไม่ว่าเพื่อแตอนน่กตามมันเผลอคิดไปถึงเหตุร้ายในอดีต หรือนึกกังวลถึงอนาคตก็ดีหรือว่ารู้ทันเวลามันมีความหม่นหมองเศร้าโกรธเกิดขึ้นในใจก็รู้ทันมันก็จะดับไปเหมือนกับกองเพลิงที่เมื่อไม่มีเชื้อไม่มีฟืนเติมให้มันมันก็ดับไปเองอย่าไปเติมเชื้ออย่าไปเติมฟืนให้มัน มันดับไปเองมันจะไม่มีทางอยู่ได้นานงนั้นการมาฝึกดูใจเนี่ยที่เรียกว่าเจริญสติเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้เราเป็นปกติสุขได้และทำให้เราสามารถจะออกจากความมืดมิดนะทำให้เราพบกับแสงสว่าง แม้ข้างนอกจะมืดแต่ใจมันสว่างแล้วอาชาเนี่ยพูดกันเท่านี้นะ